นานๆครั้งก็หันกลับมาหยุดรอเกวียนซึกเดินช้ากว่าและโบกมือเป็นสัญญาณให้เลี้ยวซ้ายหรือขวาตามการนำของเขาไปตามทางด่านอันตัดผ้าสลับไปมาเหล่านั้นบางขณะก็หายรับเข้าไปในป่ารกแล้วก็ไปโปรนำให้เห็นอีกสามชั่วโมงเต็มๆผ่านไปอากาศยิ่งมืดคืมลงเป็นลำดับขบวนเกวียนทั้งหมดตายทางด่านซึ่งบัดนี้เริ่มจะแคบลงทุกขณะอยู่บนระหว่างไหลเขาสูงลูกหนึ่ง สองฟากทางเป็นไม้เบญจพรรณแต่ละต้นสูงแงนคอตั้งบ่าทันใดนั้นชายยันกับดาลินผู้นั่งสังเกตดูภูมิประเทศอยู่ตลอดเวลาก็มองตรงไปเบื้องหน้าเห็นพรานใหญ่กับบุญคำกำลังก้มๆเงยๆสำรวจ ด, ดูอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างยอดไม้สูงกับพื้นดินบุญคำเป็นคนหันกลับมาโบกมือเป็นสัญญาณให้ขบวนเกวียนทั้งหมดหยุดรงส่วนระพินก้มสล ง, งสารวจพื้นต่อไปอย่างระมตวงัง พร้อมทั้งเงยหน้าขึ้นมองกลาดตามยอดไม้สลับกันอยู่เช่นนั้นเอ๊ะอะไรกันน่ะเขาให้เกวียนหยุดทำไมแล้วนั่นกำลังตรวจรอยอะไรอยู่หญิงสาวพึมพ ม, มออกมาอย่างประหลาดใจขมวดคิ้วจ้องระยะมันห่างออกไปประมาณเจ็ดสิบหลาเช่ถาาไม่ได้รับได้ยินเสียงพูดของน้องสาวและรู้สึกว่าเกวียนหยุดชะงักก็พุดรุกขึ้นทันทีอะไรกันหัวหน้าคณะเดินทางถาม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 เมื่อเข้ามาถึงยังตำแหน่งที่พรานใหญ่ยืนสำรวจอยู่ในขณะนี้คณะนายจ้างทั้งสามจึงเห็นว่าบนพื้นที่ทับโถมหนานแน่นไปด้วยใบยไม้แห้งบีบใบไม้สดส ด, สดรอยถูกเด็ดใหม่ๆหล่นเกลื่อนกาอยู่นับไม่ถ้วนเขี้ยวพืชไปหมดราวกับใครมาโปรยไว้ไม่เพียงแต่ใบเท่านั้นกิ่งก้านเล็กๆก็ยังถูกหักหล่นทั่วไปหมดดงบริเวณนั้นเป็นดงมะหวดกับลูกว่าป่าที่กาลังออกลูกดก ผลของมันถูกสัตว์อะไรชนิดหนึ่งแทะหวานเม็ดโปรยไปทั่วบางกิ่งหกักพับคาอยู่กับต้นแลดูโปร่งร่งยับเยินหมดทั้งดงพรานใหญ่ก้มลงหยิบกุกว่าช่อหนึ่งซึ่งถูกหักลงมาทั้งกิ่งขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งมาให้หัวหน้าคณะเดินทางซึ่งรับไปอย่างงงงอะไรกันนี่ละพินจอมพรานหนีบายเฟือไว้ในซอกแขน ใช้นิ้วเสยปีกหมวกขึ้นแล้วควักไพ่คนหนูออกมาเช็ดคอกับใบหน้าตอบเสียงต่ำเบาทหารพระรามประมาณไม่ต่ำกว่าห้าหร้อตัวยกไพ่พลพลงมาถล่มป่ามะหวดกับป่าว่าก่อนหน้าเรามาถึงไม่เกินส5้านาทีมานี่เองครับมีอะไรผิดปกติหรือคุณถึงให้หยุดเกรียนชา ย, ยันถามอย่างขันขันพางหัวเราะแต่แล้วก็หยุดหัวเราะในทันทีเมื่อพรานใหญ่ชี้ให้ดูกิ่งว่าอันขนาดท่อนแขนเคือง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 ออโตเมติกหนัดหนึ่งแล้วก็แบบปั๊มแอคชั่นบรรจุสี่นัดอีกหนึ่งชายยานเป็นคนตอบใจเริ่มเต้นแรงกระสุนละครับโอ้ยเหลือเฟือสักร่วมพันกระมังถ้างา น, นขอเบิกให้พวกผมกับลูกหาบสักสองร้ยนัดเถิดครับเอาเลยจะเอาสักเท่าไหร่ก็เอาว่าจะบอกหน่อยสิเราจะทำกันยังไงกลับไปที่เกวียนก่อนเถิดครับแล้วผมจะบอกให้ว่าเราจะทายังไงกันบ้าง ทั้งหมดเดินกลับมาที่เกวียนโดยเร็วแล้วพินตรงไปที่เกวียนคันที่บรรจุสัมภาระบรรทุกส่วนตัวของเขากระชากลูกซองแฝงส่วนตัวออกมาแล้วปองปากตะโกนเรียกพวกลูกหาและพรานของเขาทั้งหมดเข้ามาประชุมสั่งการอะไรเร็วปือเป็นภาษาพื้นเมืองบุญคําเสยจันและเกิดซึ่งสะพายไรยเฟิลที่ได้รับแจกจากคณะนายจ้างปลดไรเฟิลออกหมดเปลี่ยนมาถือปืนลูกซองในทันทีนั้น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 อย่าลืมปืนสั้นข้างเอวด้วยทันอะไรยิงไอ้นั่นก่อนถ้าพลาดปล่อยให้มันเข้าถึงตัวได้แม้เพียงตัวเดียวก็แผลชะกันทีเดียวคุณหญิงเลือกกึงึงอัตโนมัติบรรจุห้านัดกระบอกนั้นเหมาะที่สุดแล้วครับคุณหญิงได้เปรียบกว่าพวกเราทุกคนในแบบของปืนจำไว้ว่าเตรียมถืออาวุธถือกระสุนสารองไว้ในกามือด้วยยิงไปพางยัดลูกใหม่เข้าสองกระสุนไปพาง อย่าปล่อยให้ว่างหรือยิงไปทีเดียวหมดชุดเลยเหนียวตึมเอาไปนัดหนึ่งก็ยัดแทนที่นัดหนึ่งเสมอไปมันไม่เสียเวลาหรือเสียจังหวะในการยิงหรอกครับลูกซองอัตโนโมัติแบบนี้แทนคาบไบดได้อย่างดีทีเดียววิเศษกว่าคาบไบ้เสียอีกเพราะมันเป็นลูกซองคุณชายนถือแฝดก็เสียงหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคงจะบรรจุได้เร็วพอสําหรับคุณชายคงไม่มีอะไรจะต้องห่วง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 ก็รู้สึกว่าจะครบกันทุกคนครับส่วนมากเดียวแต่พวกนี้ชำนาญในการบรรจุ ก, กระสุนได้เร็วมากขอเพียงให้มีกระสุนสำรองพอเท่านั้นแล้วเขาก็หันไปทางแง่ า, ายหนุ่มกระเรียงพะเนจรคนใช้ประจำตัวของคณะนายจ้างถือจุด4440อันเป็นปืนคู่มือกระบอกเก่าของตนมม่มีแววตื่นเต้นใดๆทั้งสิน้นแง่ า, ายแกจะใช้ปืนกระบอกนั้นหรือครับแน่ใจหรือว่ากลไกของมันกระสุนของมัน อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดีในขณะที่เราต้องแข่งกับเวลาที่สุดแง่สายยิ้มยิงฟันไม่ตอบแต่ก้มลงพิจารณาดูปืนเก่าๆในมือของตนเองพรานใหญ่ถามเดวปืตต่อมาแล้วกระสุนขนาดนี้ของแกมีกี่นัด15เขาสั่นหน้าจุ๊ปากรั้นโยนจุด3006ส่วนตัวไปให้พร้อมทั้งกล่องกระสุนเก็บเจ้าลูกกระสุนปัสตันทั้ง15นัดของแกไว้เข้าพิพิัณฑ์ต่อไปเถอะ อ้าวเอานี้แทนเราไม่ต้องการให้กระสุนนัดไหนของพวกเราด้านแม้แต่นัดเดียวในภาวะฉุกเฉินที่สุดเช่นนี้แง่ท า, ายไม่ตอบว่าอะไรเหวี่ยงปืนโบราณสมบัติส่วนตัวขึ้นไปในเกวียนรับไหเฟิ่อของพรานใหญ่พร้อมกระสุนมือถือไว้พวกลูกหาบทั้ง13คนนอกจากลูกซองเดี่ยวประจําตัวแล้วทุกคนล้วนมีดาบหรือมิฉานั้นก็มีดเดินป่าติดตัวกันทุกคนน่าจะเป็นอาวุธสั้นขั้นประจัญบานเมื่อถูกโจมตีประชิด ต, ตัว ชนีที่บรรจุกระสุนไม่ทันรปินสั่งงานรอบตัวนัดแนะกำหนดหน้าที่ซักซ้อมความเข้าใจของแต่ละคนจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงหันมาทางคณะนายจ้างเหตุการณ์ที่รอเราอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้ๆนี่มันไม่ใช่การราาศัตว์แล้วหรอครับแต่เป็นสงครามระหว่างพวกเราทั้งหมด21คนกับพวกมันประมาณห้าหตัวเราจะใช้อาวุธปืนทุกกระบอกที่มีมาต่อต้านประท่มันไว้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 เพื่อให้เห็นว่าไม่ใช่สถานการณ์ร้ายแรงที่น่าวิตกนักที่พูดมานี่ผมหมายถึงว่าถ้ามันโจมตีเราแต่ปัญหาข้อที่ว่ามันจะเล่นงานเราหรือไม่นั้นไม่มีอะไรมารับประกันได้มันอาจโจมตีหรือไม่อาจไม่ทำอะไรเลยก็ได้แผนของเราก็คือทุกคนเตรียมพร้อมและเคลื่อนกระบวนเดินไปตามทางของเราโดยปกติอีกสักรู่ใหญ่กระบวนของเราจะผ่านเข้าไปในดงที่มันรวมฝูงชุมนุมกันอยู่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 แล้วก็จะมีกลุ่มหัวโจกร้ายๆสักสิบยี่สิบตัวโดยเจ้าธมูนจ่าฝูงจะลงมาป้วนเปียนอยู่กับพื้นคอยดักหน้าดักหลังขูดตะข้อแสดงความอาหังการกับเราสังเกตได้จ่าฝูงในกลุ่มอย่างว่านี่ครับตัวมันจะเขืองกว่าทุกตัวตัวอื่นไม่ต้องสนใจมันจะไม่กล้าลงมือทำอะไรพวกเราก่อนเลยนอกจากจะคอยดูหัวหน้าของมันถ้าไอ้ธมูหัวโจกลงมือเมื่อไหร่พวกมันก็ช่วยกันลุนเราเมื่อนั้น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 มันอยู ah. im, it, j j ่ที่กําลังใจครับแล้วก็อยู่ที่อารมณ์ของเจ้าตัวจ่าฝูงด้วยหัวหน้ามันไม่กล้าเสียตัวเดียวรูปฝูงก็เจอไม่ลงมืออย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จึงขอให้สังเกตตัวจ่าฝูงอย่างที่บอกไว้แล้วถ้ามันยังไม่แสดงว่าจะจู่โจมเราก็สงบจิตสงบใจเฉยก่อนเดินกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าไอ้จ่าฝูงพูดเข้าใส่เราแน่ก็ยิงไม่สนุกค่ะพี่ใหญ่คราวนี้เห็นจะไม่สนุกแน่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 เขาจะไม่ยิงสุ่ม 4, สี่สุมห้าเข้ามาในรัศมีขบวนเกวียนของเราเลยแต่จะยิงทางออกด้านนอกผมสั่งให้เกิดกับจันทร์ทำหน้าที่ควบคุมบังคับเปญชาไว้แล้วทางคณะของคุณชายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงโปรดจะได้ลงจากเกวียนเป็นอันขาดยิงจากบนเกวียนปลอดภัยที่สุดทั้งสาพยักหน้ารับทราบแล้วพินหันไปกำชับสั่งแงซายอีกครั้งให้คอยระวังและยิงคุ้มกันเฉพาะเกวียนของนายจ้างอย่างเดียวโดยไม่ต้องคำนึงถึงด้านอื่น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 ทุกคนเดินเกาะหมู่กันไปเป็นกลุ่มสองฝ้าของเกวียนที่บดออดไปตรงกลางแทบจะไม่มีเสียงพูดจากคําใดกันอีกเลยนอกจากเสียงควายที่สะบัดข่าและเสียงล้อที่บดไปกับพื้นทุกคนสอดสายสายตาไปยังยอดไม้และพงเถาวรอันหนาทึบเบื้องหน้าใจเต้นระทึกผ่าชะง่อนผาที่สลับซับซ้อนไปด้วยโขดหินก้อนใหญ่ๆอ้อมไปตามทางด่านจึ่งเวียนชิดกับเชิงเขาอีกรูปหนึ่ง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 คุณคงจะพูดภาษาลิงกับมันได้รู้เรื่องสินะถ้ามันไม่อันธพานจนเกินไปนะักผมก็คิดว่าผมพอจะพูดกับมันรู้เรื่องเป็นคําตอบอย่างอารมณ์ขันของพรานใหญ่แล้วก็หันไปทางเบื้องหน้าเสียเชิดถาวักบุหรี่ออกมาจุดสูบอย่างเยือกเย็นชายยานเปิดกระติกที่บรรจุบรันดีแทนน้าขึ้นมาเทกรอกใส่ปากดับความกระวนกระวายส่วนดารินค่อยๆขยับลูกเลื่อนของบราวนิง่งแง้มดูกระสุนที่ด่อนขึ้นลํากล้องไว้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 เชื่ากับชายยานเงยกระ บ, บอกปืนขึ้นสูงอีกมือหนึ่งกลุมกระชับอยู่ที่กระโจมมือส่วนดารินผักเซฟเสียงดังกริ๊กพยายามสำรวจสติไว้มัน่นบังคับมือไม่ให้สัน่นทั้งสา ม, มีลูกปืนสํารองที่กำไว้ในฝ่ามือซ้ายพร้อมที่จะบรรจุใหม่ได้โดยอย่างฉับพลันทันทีแต่ก็ถือกันไว้ได้คนละไม่เกินสองสนักเท่านั้นเพราะความอวบใหญ่ของปลอกกระสุนเบอร์สองด่านแรกของกลุ่มทหารพระราม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 ติดต่อกับป่าหวายพอแง้มองขึ้นไปพบตัวและศบตาพวกมันก็เริ่มมีปฏิกิยาในการเคลื่อนไหวเป็นลําดับอย่างมีเรศนผิดไปกว่าฝูงริงธรรมดาเสียงขู่คาํารามคลอกคลากดังจากกลุ่มนี้ไปยังกลุ่มโน้นรับต่อกันไปเรื่อยๆื่จนกระทั่งแทบไปหมดทั้งดงไม่ว่าจะหันไปทางด้านไหนครั้นแล้วทันใดนั่นเองราวกับจะนัดกันไว้กิ่งไม้รอบด้านก็ถูกขย่าโดยแรงพร้อมกันหมดเสียงครืนโครมสนัน่น ใบสดและกิ่งแห้งหักโถมโครงคลามลงมาปะหน่งเกิดกะลียุกสะเทือนกล้องทั้งป่าเสียงขู่คำรามแซ่สนันกึกกล้องจักการค่อยๆเ ค, คลื่อนไหวเปลี่ยนที่ของมันแต่ละตั ว, แ ต, ตวแต่แรกๆบัดนี้กลายมาเป็นกระโดดโรอดเต้นอย่างรวดเร็วแกว่งไหวตัวห้อยโหนสับเปลี่ยนกันอยู่ไปมามืดมัวยุบยับเหมือนภาพฝันร้ายดวงหน้าอันดุร้ายหน้าเกลียดกงเขี่ยวยาวเสยะขาวออกมาพ้นป่าก ลักษณะทีท่าอันแสดงการประสงค์ร้ายดูไม่ผิดอะไรกับฝูงสัตว์ ร, ร้ายในคุ้มนรกที่คุกคลามคริ้วกราดหมายจะเอาชีวิตบีบความรู้สึกทำลายขวัญแทบจะทำให้หมดสติสัมปชัญญะไปในบัดนั้นเสียงจ่าฝูงร้องแหลมกึกก้องถีกระชั้นจิตเหมือนจะส่งสัญญาณสั่งการใดๆกับพวกมันเงาร่ำสันใหญ่โตเป็นสีเทาจัดจนแทบจะดูดำสนิทเพ่นโผลโครมครามมาตามยอดไม้อย่างรวดเร็ว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 มันก็รวมกลุ่มกันได้อย่างมั่นคงไม่แตกตื่นวิ่งตเตลิดไปตางแงนเบิงสะบัดเขาส่งเสียงร้องคำรามกล้องพร้อมที่จะสู้ทุกขณะตามสัญชาติทรพีแล้วผินร้องสั่งพวกลูกหาบเบาๆให้ช่วยกันควบคุมควายไว้ให้มัน่นเขาไม่ได้หยุดแต่เดินรุดไปเบื้องหน้าโดยไม่สะทกสะเทือนมือขวากำดาบแน่นเชื่อากับชยยันหัวใจเต้นแรงจ้องมองดูภาพอันกรอกกลิ้งรอบด้านเหล่านั้นตาไม่กระพริบ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 แช่ถาเอื้อมือไปโอบไหล่น้องสาวไว้กอดเบาๆปลอบใจประสาทของคนทุกคนในขณะนี้ขม็งเกลียวเครียดประหนึ่งจะขาดสะบั้นไปแต่ราวินาทีที่กระดิกพ่านมันช่างเชื่องช้ายาวนานราวกับร้อยปีก็ไม่ปานคณะนายจ้างทั้งสามอดที่จะะ ง, งนเสียไม่ได้ในกรณีที่พรานใหญ่ระพินตนถ่อภาวะการนี้ได้อย่างไรดูเขาไม่ได้สะดุ้งสะเทือนอะไรกับเจ้าเขี้ยวยาวๆหลายร้อยคู่